วิษณุกรรมเทพบุตรก็กลับไปพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรหนทางที่เดินมาทางเดียวก็คิดว่าที่นี่คงจะเป็นที่อยู่ของพวกนักบวชก็ให้พระนางมัสีให้พระโอรสธิดาประทับอยู่ในที่นั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในอาศรมบททอดพระเนตรเห็นอักษรก็คิดว่าเท้าสกตะทรงพระราชทานพระองค์ก็เปิดประตูบรรณสาลาเสด็จเข้าไปเอาพระขันและธนูออก เครื่องเครื่องเอ่อเครื่องผ้าสาดกถือเพศหรือสีถือไม้เท้าเสด็จออกมาหาพระกุมารพระกุมารีด้วยความสงบเช่นกับพระประเจกพระพุทธเจ้า น, น, นะคือพระเวสสันดรเ น, นี่ยนะโดยมากเกือบเกือบจะทุกชาติมั้งท่านเป็นนักบวชมาตลอดใช่ไหมพอเข้าไปนุ่งหม่มแพร่แบบนั้นปั๊บก็เป็นนักบวชเหมือนกับพระประเจกพระพุทธเจ้าทันทีเลยนะแม้พนางมัตรีเห็นพระโพธิสัตว์มาก็มอบลงแทบพระบาทร้องให้เนี่ย น, นะ ตามเดิม嘛นะดอกโสก็แบ่งบานเหมือนเก่านั่นแหละเสด็จเข้าไปยังอสมบทพร้อมกับพระโพธิสัตว์แล้วก็เข้าไปยังบรรณสาลาพราะองค์ก็ถือเพศเป็นฤาษีภายหลังก็ให้กุมารกุมารีเป็นดาบทบวชหมดเลยทั้งสี่องค์พระโพธิสัตว์ก็ขอร้องพระนางมัตสีว่าตั้งแต่นี้ไปเราเนี่ยเป็นนักบวชแล้วธรรมดาสตรีเนี่ยนะเป็นเครื่องเศร้าหมองแก่พรหมจันทร์มนทินเนี่ยแปลว่าความเศร้าหมอง บัดนี้เธออยามาหาเราในกาละอันไม่สมควรอย่ามาคําคืนนะถ้ามาก็ต้องพาลูกมาทั้งหมดด้วยอ่างนั้นพนางก็รับว่าดีแล้วพระเจ้าข่าแล้วก็ขอพรพระโพธิสัตว์บ้างว่า <c oughs> น, นะขอพรเนี่ยนางมัสสีก็ขอพรว่าข้าแต่พระองค์ขอพระองค์จงทรงดูแลโอรสทีดาอยู่ณนะบรณารณศาลาเถิดหม่อมชั้นจักสแสวงหาพระลาพมาถวายอันนี้คือพร น, นะ ไม่รู้พรพอรอ่ะนะก็คล้ายๆก็เรียกปวารณานะเดี๋ยวจะหาผลไม้มาถวายก็แล้วกันแต่ว่าขอร้องช่วยดูลูกหน่อยก็แล้วกันตั้งแต่นั้นพระนางมัซซีก็นําพลาผลมาแต่ป่าพลาผลพระละบวกอภระละเนี่ยนะพระละแปลว่าผลเล็กๆอัพพระละก็แปลว่าผลใหญ่ๆก็แล้วผลน้อยผลใหญ่มาจากป่ามาปรณิบัติชนทั้งสามกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เนี่ยประทับอยู่ณนะหลือภูเขาวงกฏประมาณเจ็เดือน นะก็อยู่ไปจนถึงเจเดือนเขาบอกว่าสถานที่อยู่นั้นเนี่ยนะภายในเจเดือนเนี่ยด้วยอนุภาพแห่งเมตตาของพระโพธิสัตว์แม้เดรัจฉานทั้งปวงก็มีเมตตาต่อกันโดยกินเนื้อที่สโยธโดยรอบในรัศมี48กิโลเมตรจากตรงนั้นไปเนี่ยนะหมู่สัตว์เนี่ยมีเมตตาต่อกันหมดเลยเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายก็มีเมตตาต่อกัน ทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยประทับอยู่ในป่าผ่านไปเจ็ดเดือนจิตาพรามชูชกชาวเมืองกะลิงครัตเอกเมืองนี้เมืองดังนะเมืองมาขอช้างอะ่ะเลยชาวเมืองกะลิงคารัตเนี่ยนะเมื่อภริยาชื่อว่าอมิตตตาปนาคือพรามชูชกเนี่ยเขาไปฝากเงินไว้กับเพื่อนพันหนึ่งทีนี้เพื่อนเออเขาไปขอทานได้มาได้เงินมา 7, เจ็ดได้มาพันหนึ่งทีนี้มันไม่มีธนาคารนะก็ไปฝากเพื่อนไว้แล้วก็ไปเที่ยวขอทานต่อ ทีนี้มันหายไปเป็นปีๆนะเพื่อนก็ น, นึกว่าไปขอทานตายแล้วว่างก็เลยใช้เงินหมดเลยพอใช้เงินหมดพักหนึ่งแต่ชูชกก็มาพอมาเข้าเอาเงินใช้ไปหมดแล้วอ่ะทําไงคุยกันไปคุยกันมาก็เอาแบบนี้แล้วกันยกลูกสาวให้นะชูชกก็ได้นางอมิตรตาปนาไปพอได้นางอมิตรตาปนาไปแล้วเนี่ยนะ นางมิตตาปนาก็เป็นเป็นหญิงที่ได้รับการสั่งสอนมาดีก็ปรนนิบัติสามีพอดีไปอยู่ในบ้านเมืองที่สามีรับใช้ภริยาพอดีปกตินี่ยที่ทั่วๆไปก็เป็นเมืองที่อะไรนะเป็นหมู่บ้านที่ภริยารับใช้สามีแต่นางมิตตาปนาเนี่ยไปอยู่ในบ้านที่สามีรับใช้เมียทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนางมิตตาปนาก็ไปรับใช้สามีอยู่างนี้นะพวกพราม์ทั้งหลายก็กลับมาเล่นงานเมียตัวเองใหญ่ พวกเมียเหล่านั้นก็พากันไปต่อว่านาอมิตตาปนานาอมิตตาปนาก็เสียอกเสียใจยก็บอกก็เลยกล่าวม า, มาบอกกับชูโชค น, นะนะชูชกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะรับใช้เธอเองก็บอกโอ้แต่กูลฉันไม่ใช่สามีรับใช้อย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นตั้งกันนี้ไปถ้าหากว่าไมา่ถ้าไม่มีคนใช้นี่ไม่ยอมเหมือกัน เลยพูดว่าเราไม่สามารถจะทําการซ้อมข้าวตักน้ําหุงข้าวยากูและข้าวสวยแก่ท่านได้เป็นนิดเพราะฉะนั้นท่านจงไปนําทาตชายหรือทาตหญิงมารับใช้เราเถิดชูชกก็บอกว่าน้องเอ้ยเราก็เป็นคนยากคนจนจะได้ทาตุหญิงธาตชายมาจากไหนจะให้น้องได้รับจะได้รับใช้น้องเล่านางอมิตตาปนาก็เทวดาดนใจก็บอกว่าพระราชาพระเวสสันดร น, นั้นยังไงแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาวงกฏ ท่านจงไปขอพระโอรสพัทถิดาของพระองค์มาให้เป็นคนรับใช้ของเราเถอะชูนะคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะก็ยื่นคําขาดไปลาให้คำด้วยกันชูชกก็ไม่ละไม่สามารถจะละเลยคําคําขอร้องแกมอะไรนะแกมบังคับแล้วก็ยื่นคําขาดละอย่างด้วยกันอบอกถ้าท่านไม่ไปนะฉันจะมีผัวใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยนะก็เลยเออยอมยอมแล้วก็เลยไปแนนี้ชูชกก็ไม่สามารถจะละเลยคําของนางเพราะว่า มีใจนี้ผูกพันกับนางด้วยอำนาจกิเลสก็เลยให้นางอมิตตาปนาเตรียมสเสบียงเดินทางไปถึงกรุงเชตุดอนโดยลำดับไปถึงแล้วก็ไปถามว่าไปถามที่เมืองเชตุดอนว่าพระเวสสันดรตอนนี้อยู่ที่ไหนมหาชนก็พากันเกลี้ยกราอ ด, ด่ากันใหญ่เลยว่าของพวกเราเพราะพระองค์ได้ทรงให้ทานแก่ยาจกพระองค์จึงต้องถูกในประเทศออกจากแว่นแค้น อิตาพรามผู้เท่านี้ทําให้พระราชาของพวกเราได้รับความพิราษแล้วยังมีหน้ามาถึงที่นี้อีกก็คือรู้อยู่แล้วว่าชูชกนี่มาจากเมืองไหนมาจากเจตรรัตใช่ไหมเออขออภัยมาจากกะลิงครัตใช่ไหมก็ไอเมืองกะลิงครัตนี่แหละมาขอช้างจึงถูกถูกไล่หนีไปเพราะฉะนั้นก็ถามมาจากกลิงครัตอีกแล้วเหรออันนะั้นก็เลยชวนกันไล่ตะเพิดพชูชกไป างก็ถือก้อนดินท่อนไม้ดาว่าติดรรมทามชูชกไปรามชูชกนั้นด้วยเทวดาโดนใจก็ออกจากกรุงเชตุดรก็เดินตรงไปยังทางที่จะไปเขาวงกตถึงประตูป่าโดยลำดับก็ย่างลงสู่ป่าใหญ่นหละหนะลงทางเที่ยวไปตเตลิดเลิดไปพบกับในพรานเจตบุตรที่พระราชาแต่งตั้งไว้เพื่ อ, อรักขาที่ประตูป่านะ ในพรานเจตบุตรก็ถามว่าท่านจะไปไหนพรามชูชกก็บอกว่าจะไปหาพระเวสสันดรมหาราชเจตบุตรก็คิดว่าอิตพราหมณ์คนนี้น่าจะไปทูลขอพระโอรสพระธิดาหรือไปขอพระเทวีของพระเวสสันดรเป็นแน่ก็เลยขูดตะคอกตะพราม์ว่าท่านอย่าไปที่นั้นนะหากท่านไปเราจะตัดหัวท่านเสียในที่นี้แหละแล้วก็ให้สุนัขของเรากินชูชกถูกขูดก็กลัวตายก็กล่าวเทศว่า พ่อของพระเวสสันดรเนี่ยส่งเรามาเป็นทูตด้วยหมายใจว่าจักนาพระเวสสันดรกลับพระนครเราเนี่ยนะไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นอาจารย์ของพระเวสสันดรเชียวนะพ่อเอ่อ พ, พระเจ้าสรรชัยเนี่ยเชื่อไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยก็เลยให้เราเนี่ยเป็นทูตมาอัญเชิญพระเวสสันดรกลับเมืองเจตบุตรเนี่ยนะได้ฟังอย่างนั้นก็ร่าเริงดีใจแสดงความเคารพนับถือพราหมณ์ก็บอกทางไปเขาวงกตให้แก่พราหมณ์ พรามนั้นออกจากที่นั้นในระหว่างทางก็ไปพบกับอัจจุตตดาบทถามถึงหนทางอจจุตตดาบทก็บอกทางให้จึงเดินไปตามทางเครื่องหมายที่อัจจุตตดาบทบอกไปถึงที่ตั้งอาศรมบทของพระโพธิสัตว์โดยลำดับก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ในเวลาที่พนางมัสซีเนี่ยไปหาผลไม้เพื่อจะไปทูลขอกุมารกุมารีทั้งสองอย่างที่พระองค์ตรัสว่า เมื่อเราอยู่ในป่าใหญ่ชูชกพราหมณ์ก็เข้ามาหาเราได้มาขอบุตรทั้งสองของเราคือมาขอพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเมื่อพราหมณ์ทูลขอพระกุมารกุมารีแล้วอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็เกิดโสมนัตดีใจนะดีใจด้วยประสงค์ว่านานแล้วอย่าจบไม่ได้มาหาเราวันนี้เราจะบำเพ็ญทานบารมีโดยไม่ให้มีเหลือ จากยังจิตของพราหมณ์ให้ยินดีดุ ด, ดวางถุงทรัพย์เป็นพันเนี่ยลงที่มือที่เหยียดออกแล้วก็ยังหลืบเขาทั้งสิ้นให้ระเบือลือลั่นนะให้บรรลือตรัสว่าเราจะให้ลูกทั้งสองของเราแก่ท่านก็แต่บอกเหตุผลหน่อยว่าส่วนพนางมัสีเทวีไปป่าเพื่อหาพลาผลแต่เช้าตอนเย็นก็จะกลับเมื่อพนางมัสีกลับมาท่านจงแสดงลูกทั้งสอง ให้ลูกนั้นเดิมเคี้ยวรากผลไม้ก่อนอยู่ค้างสักคืนหนึ่งพอหายเมื่อแต่เช้าตรู่ค่อยไปก็คือพระเวสสันดรเนี่ยก็อยากให้บอกว่าให้ลูกเขาได้เจอหน้าแม่เขาหน่อยแต่เราให้แล้วละให้ลูกก็กินอยู่กับแม่เขาสักคืนหนึ่งแล้วค่อยไปพรามก็คิดว่าพระเวสสันดรนี่พระราชทานกุมารกุมารีเพราะมีอัธยาศัยกว้างขวางเท้ แต่พระนางมัสสีพระมารดานเนี่ยนะมีความรักบุตรกลับมาก็จะทำอันตรายแก่ทานได้นนะบอกผู้หญิงเนี่ยนะไม่แน่หรอกแกเกิดเขาไม่ให้จะว่ายังไงพยัท่ากะไรก็เลยทูลขอทูลแค้นไคพระเวสสันดร น, นั้นแล้วพาโอรสทั้งสองนะไปในวันนี้ให้จงได้ก็กราบทูลว่าหากพระองค์พระราชทานโอรสทั้งสองแก่ข้าพระองค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแสดงกะพระมัสสีเทวี ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะท่านให้ลูกแกเราแล้วเนี่ยไปเจอแม่เขาทำไมนันข้าพระองค์จะพาโอรสทั้งสองไปในวันนี้แหละพระเจ้าข่าพระเวสสันดรก็ตรัสว่าดูก่อนพรามหากท่านไม่ปรารถนาจะเห็นพระนางมัตสีราชบุตรีท่านก็จงพาทารกทั้งสองไปยังกรุงเชตุดอนพาไปบ้านเมืองของปู่เขานะณที่นั้นพระเจ้าสรนชัยมหาราชจะรับเอาทารกทั้งสองแล้วพระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแกท่าน ท่านจากมีทาตหญิงทาตชายได้ด้วยทรัพย์นั้นและท่านก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสบายอีกประการหนึ่งทารกทั้งสองนั้นก็เป็นสุคุมารชาติเธอทั้งสองจักไปปรนิบัติรับใช้ท่านได้อย่างไรเนี่ยนะก็เอาไปหาปู่เขานะปู่เขาจะให้ทานพราหมก็บอกว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะทําอย่างนั้นได้ข้าพระองค์เกรงพระราชะอาทยาเดี๋ยวก็เนื้ว่าข้าพระองค์เนี่ยไปพรากผู้เยามาจะว่าไงตัดหัวแน่เหมือนกัน ข้าพระองค์จักนาไปบ้านของข้าพระองค์พระเจ้าข้าให้ไปรับใช้นางอมิตรตาปนาทารกทั้งสองได้ฟังการสนทนาของพระบิดาและพราหมณ์ก็คิดว่าพระบิดามีพระประสงค์จากพระราชทานเราทั้งสองแก่พราหมณ์จึงเลี่ยงไปยังสะบกครณีแอบนี้ไปอยู่ที่กอปฐมพราหม์ไม่เห็นกุมารกุมารีก็ทูลกับพระเวสสันดรว่าพระองค์เนี่ยนะตรัสว่าจะให้ พระราชทานทารกทั้งสองแล้วก็ให้ทารกทั้งสองหนีไปแล้วก็บอกต่อไปว่านั่นเป็นอุบายวิธีที่ดีงามของพระองค์แหมช่างหลอกลวงเก่งเหลือเกินเนี่ยนะบอกว่าจะให้ก็บอกแล้วก็ไล่ให้ลูกหนีไปก่อนเนี่ยนะแหมทำทีจะให้นะก็ตาส่งไปอีกพระโพธิสัตว์ก็เที่รีบลุกขึ้นเที่ยวตามหากุมารกุมารีทั้งสองก็เห็นไปแอบอยู่ที่กอบัวเนี่ยนะ ก็คือไอ้ที่จริงวิธีหนีเนี่ยนะถ้าไม่ถ้าเด็กเนี่หนีว่าเดินถอยหลังลงน้ำมันนะทีจริงก็เหมือนกับว่าให้พ่อไนี่เห็นเนี่ยว่าหนีไปที่อื่นแล้วขึ้นจากสระน้ำแล้วทีนี้มันมีแต่ขาอะไรขาก็เดินขึ้นแต่ไม่เห็นขาลงพระองค์ก็รู้ก็เลยเรียกว่าลูกทั้งสองร้าเออลูกลูกรักทั้งสองจงขึ้นมาเถิดลูกทั้งสองอยาได้เป็นอันตรายแก่ฐานนบารมีของพ่อเลย จงจงให้อัธยาศัยในทานของพ่อถึงที่สุดเถิดก็คือบอกว่านะลูกจงช่วยเป็นลำนาวาให้แก่พ่อเนี่ยนะพ่อจะยังโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามนะนะได้ยินเสียงขอร้องของพ่อนั้นลูกก็เลยยอมบ้างพราหมณ์ผู้นี้จะพาลูกทั้งสองไปแล้วว่าจะไปหาพระเจ้าสัรชัยมหาราชซึ่งเป็นปู่ของลูก พ่อชาลีลูกรักถ้าหากว่าลูกต้องการจะเป็นไทยเพิ่งให้ทองคำหนึ่งพันแท่งไก่พราหมแล้วก็จะได้เป็นไทยส่วนแม่กันหาชินาลูกรักเนี่ยนะเป็นลูกกษัตริย์ใช่ไหมว่าเดี๋ยวคนอื่นมาจ่ายค่าตัวถูกๆี๋ยวก็ไปเสียเสียวงหมดเพราะฉะนั้นลูกควรลูกควรจะได้อย่างละหนึ่งร้อยคือธาตชายร้อยธาตหญิงร้อยช้างร้อยม้าร้อยโคสภาะร้อยทองคำร้อยแท่ง 100, แล้วลูกจะเป็นไทยเนี่ยนะราคาตุแพงกว่าลูกชายมากเพราะว่าคนที่จะมีของมาแลกได้ขนาดนี้ได้ก็ต้องเป็นกรัตเนี่ยก็จะไม่เสียวงไปปรงตีราคาค่าตัวลูกทั้งสองนี้แล้วก็ปลอบพากันกลับไปยังอาสมบทเอาคนโทรสายน้ำแล้วก็หลังหลังลงในมือของพราหมณ์ทำให้เป็นปัจจัยแก่พระสัพพัญยุตยาน โปรองเกิดปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งยังมหาปตจพีให้เบลือลั่นกัมปนาตได้พระราชทานบุตรอันเป็นที่รักแม้ในครั้งนี้แผ่นดินก็ได้หวั่นไหวเออก็ได้ไหวในครั้งครั้งที่สี่แล้วใช่ไหมที่พระองค์ตรัสว่าเพราะได้เห็นยาจกเข้ามาหาความร่าเริงได้เกิดขึ้นแก่เราในครั้งนั้นเราได้พาลูกทั้งสองมาให้แก่พราหมณ์ เมื่อเราสละบุตรทั้งสองของตนให้แก่ชูชกพราหมณ์ในการใดแม้ในการนั้นแผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะครั้งนั้นพราหมณ์นี่ก็เอาเถาวัลย์เนี่ยนะผูกพระหัตต์ฉุดฆ่าทารกทั้งสองผู้ไม่อยากจะไปพระหัตต์ที่ผูกนั้นก็เลือดก็ไหลออกจากผิวหนังอันนั้นก็เชือกแข็งกระด้างเนี่ยไอ้มันแข็งมากะนะเพราะฉะนั้นเป็นลูกกษัตริย์ที่ไม่เคยอะไรด้วยก็ผิวนี่ก็บาด พรามก็เอาท่อนเถาวัลย์เนี่ยตีแล้วก็ฉุดฆ่าไปเหมือนฉุดโครพระกุมารกุมารีเหลียวดูพระบิดาก็ทูลว่าฆ่าแต่พระบิดาพระมารดาก็เสด็จไปป่าพระบิดาก็เห็นแต่ลูกทั้งสองอนะพระบิดาอย่าเพิ่งทรงให้ลูกไปเลยจนกว่าพระมารดาจะกลับมาเมื่อนั้นแหละอิตาพราหมณ์เท่าจะขายหรือจะฆ่าลูกทั้งสองก็ตามทียังไงก็ช่างเถอะขอให้ได้เห็นหน้าแม่ก่อนอนะ ก็แล้ก็เล่าต่อไปว่าอีตาพรามเนี่ยร้ายกาดนักแล้วก็ทําการหยาบช้าก็บอกว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นยักษ์กินเนื้อกินเลือดจากบ้านมาสู่ป่ามาขอทรัพย์กับพระบิดาเมื่อตะพรามเท่าปีศาจจะนําลูกไปฉะนัยพระบิดาก็ทรงมองอยู่ใช่เออมองดูอยู่เฉยๆเล่าเนี่ย น, นะลูกนี่ก็ตอล้ะต่อว่าอยู่นานนะท่าในาชาดกด้วยนะนายชาดกนนเนี่ยพระราหูเนี่ย คือคือพระชาลีเนี่ยนะเขต่อว่าหลายอย่างแล้วก็พูดถึงความเลวร้ายของชูชกเนี่ยนะครับว่ามีความชั่วติดตัวอยู่สิปอย่างนะนะแสดงว่าชาลีกุมารนี่ดูละเอียดมากชูชกเมื่อกุมารกุมารีร่ําให้อยู่อย่างนั้นก็โบยฉุดกระชากแล้วก็ตีตีเนี่ยนะเรียก ว, ว่าเหมือนต้นโค้ ง, งันพระโพธิสัตว์เกิดความเศร้าโศกเป็นกําลังเสียใจมากด้วยความสงสารลูกทั้งสองที่ร้องให้ และก็ไม่นะความไม่สงสารของพราหมณ์พราหมณ์นี่น่าจะสงสารเด็กบ้างนะทําไมไม่สงสารเด็กเลยขณะนั้นนั่นเองพระองค์ก็ระลึกถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่จริงเนี่ยจะไปจับจับดาบมาแล้วจับดาบเตรียมจะมาฆ่าแล้วสงสารลูกมากานะแต่ก็มานึกถึงประเพณีของพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ตําหนิพระองค์เองว่าธรรมดาพระโพธิสัตว์ทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหมดนั้นจะต้องสละ มหาบริจาคทั้งหแล้วจกได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้เราก็เป็นผู้หนึ่งของพระโพธิสัตว์เหล่านั้นก็คือเป็นหนึ่งในพระโพธิสัตว์เหล่านั้นเราบริจาคบุตรเป็นทานหรือมหาบริจาคอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยสอนตัวเองว่าดูก่อนเจ้าเวสันดรการให้ทานแล้วเดือดร้อนในภายหลังไม่สมควรแก่เจ้าเลยพระองค์ก็เตือนพระองค์ว่าตั้งแต่เวลาที่เราให้ทานแล้วอะไรอะไรก็ไม่ได้เป็นของเจ้า ให้ไปแล้วนี่ไม่ได้เป็นลูกของเจ้าแล้วนี่ให้ไปเขาไปหมดแล้วอธิษฐานกุศลสมาทานให้มั่นคงขณะนั้นนะลูกก็ร้องให้เสียงคร่ำครวญได้ยินเนี่ยนะพ่อนี่ก็นั่งเงียบกระจิงแต่น้ำตาไหลเลยแหละนะก็นั่งนิ่งเหมือน อ, อะไรนะเหมือนปฏิมาทองคำ ทีนี้หลังจากนั้นพระนางมัสซีเนี่ยนะที่ไปหาพลาพลนมาจากป่าก็กลับมาจากป่าเทพพยดาทั้งหลายก็แปลงกายนะเป็นมรึกร้ายกั้นทางไว้ด้วยคิดว่าพระนางมัสซีอย่าทำอันตรายแก่ทานของพระโพธิสัตว์เลยเมื่อมรึกร้ายหลีกไปแล้วพระนางก็เสด็จเข้าไปอาสมก็ไปช้าไปที่จริงก็คิดแล้วว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันไม่ดีนะเมื่อก่อนที่จะไปเนี่ยก็ฝันฝันไม่ดีแล้วละ่ะแล้วก็เกิดนิมิตร้ายอีก จะเป็นอย่างไรนาะกลับไปในอาสมก็ไม่เห็นพระกุมารกุมารีก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ ท, ทูลว่าข้าแต่พระทูลก็หม่อมหม่อมชั้นไม่เห็นลูกทั้งสองของเราลูกทั้งสองไปไปเสียที่ไหนเล่าเพคะพระโพธิสัตว์ก็นิ่งเงียบไม่ตอบเลยนะพนางมัสสีกับคนเที่ยวหาลูกทั้งสองนั้นก็ไม่เห็นลูกก็กลับไปทูลอีกพระโพธิสัตว์ก็คิดว่าเราจักให้แม่มัตสีเนี่ยละความเศร้าโศกถึงบุตร ที่เรียกว่าเปลี่ยนเรื่องกัเลยพูดสักคําหยาบเสียหายว่าแม่มัตสีผู้มีรูปสมบัติอันประเสริฐเป็นราชบุตรตรีเป็นผู้มียศเจ้าไปสแสวงหาหมูลพลาพลแต่เช้าไม่ใช่หรือฉนัยเจ้าจึงกลับมาเย็นสะเล่าคือคําพูดเนี่ยมันแปลว่าไปทําอะไรอยู่ทําไมกลับมาดึกเดินป่านี้เธอไม่รู้หรือว่าเธอนี่มีลูกมีสามีแล้วทําไมจากไปนานขนาดนี้ก็ปเป็นคําพูดถักทางอ่ะนะคำพูดถกกัดถกทางก็เรียกว่าเบนประเด็นเนี่ยนะ ก็เสียใจอีกนะก็อ้อนวอนเกือ อ, อ, อธิบายอยู่นานเสร็จแล้วพระเวสสันดรก็นิ่งอีกพระนางก็ทูลถึงเหตุที่ทําให้ล่าช้าแล้วก็ถามหาทารกทั้งสองพระนางมัตสีเนี่ยนะด้วยความเศร้าโศกถึงบุตรก็รีบออกจากที่ตรงนั้นเนี่ยนะไปหาไปหาลูกอีกเขาบอกว่าสถานที่พระนางมัตสีเที่ยวค้นหาในคืนนั้นเนี่ยคำนวณประมาณ15โยชน์ก็ประมาณส40ี่กิโลเนี่ยนะ คืนนั้นเนี่ยเดินทางอยู่ทั้งคืนประมาณ40สอง้อยสี่ิบกิโลเมตรเนี่ยนะเกราเดินจนสว่างอะ่ะเดินจนสว่างอ่ะนะคืนนั้นแสดงว่าก็เป็นคนแข็งแรงมากเลยนะขันรุ่งสว่างพระนางก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ประทับยืนถูกความโศกมีกำลังครอบงำเพราะไม่เห็นลูกจึงล้มลงสลบบนพื้นดินแทบพระบาทของพระโพธิสัตว์นั้นอะ่ะ น, นะดุดดุดอะไรดุดกล้วยถูกตัดเหมางกัน พระโพธิสัตว์ทรงหวั่นไหวด้วยสำคัญว่าพระนางมัทสีนี่สิ้นพระชนก็เกิดความโศกอย่างใหญ่หลวงตั้งสติไว้มั่นคิดว่าเราเนี่ยจะรู้เออเราจักรู้ว่าพระแม่มัทสีจะมีชีวิตยอยู่หรือไม่ตลอดเจ็ดเดือนนี้ไม่เคยถูกต้องกายกันและกันเลยเพราะไม่มีอย่างอื่นนะไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยยกพระเศียนของพระนางวางบนบนบนอุรุคือขาของตัวเองก็เอาน้ํามาผระพรมลูบตัวลูบอกลูบพระหรัตตลูบมือลูบใจเนีย่ยนะ พนางมัตสีเวลาผ่านไปเล็กน้อยนางก็ได้สติเกิดฮิริโอตาปะเนี่ยนะก็ละอายนะละอายใจเหมือนกันว่าตอนนี้ก็เป็นนักบวชแล้วก็เลยถามมาลูกทั้งสองไปไหนพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนเทวีพี่ได้ให้บุตรของเราเพื่อเป็นทาสของพราหมณ์คนหนึ่งที่มาขอกับพี่พนางมัตสีนี่จะเป็นคนทั่วไปในโกรธตายเลยนะแต่นี้พนางมัตสีทูลว่าข้าแต่พระองค์ เพราะเหตุไรเจ้าพี่ทรงให้ลูกทั้งสองแก่พราหมณ์แล้วไม่บอกแก่น้องปล่อยให้ร้องให้เที่ยวหาอยู่ตลอดคืนเล่ า, านะถ้าหากว่าพระองค์ตรัสว่าเมื่อพี่บอกเสียก่อนน้องก็จะมีทุกข์ใจมากแต่บัดนี้ทุกเบาบางลงแล้วก็เลยบอกทนพระองค์ก็เลยปลอบมัสสีว่าดูก่อนแม่มัสสีน้องจงดูพี่อย่าปรารถนาที่จะเห็นลูกเลยอย่าร้องให้ไปมากนักเลย ถ้าหากว่าเราไม่มีโรคยังมีชีวิตอยู่วันหน้าต่อไปคงจะได้พบปะกกับลูกเป็นแน่แท้แล้วผมก็ตรัสต่อไปว่าสัตว์บุุษเห็นยาจกมาขอทานแล้วเพึงให้บุตรสัตว์เลี้ยงข้าวเปลือกและทรัพย์อย่างอื่นอันใดมีอยู่ในเรือนดูก่อนแม่มะสีน้องจงอนุโมทนาบุตรทานอันสูงสุดของพี่เธอทําแม่ทั่วๆไปอนุโมทนาลงเลย สาอาจจะบน่นใหญ่เลยนะแต่นี้พระนางมาัตเซียนุโมธนาวสาทุสาทุสาธุนะพระนางมาสัสสซก็ทูลอนุโมทนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐน้องขออนุโมทนาในปุตตทานอันสูงสุดของเจ้าพี่ขันพระเจ้าพี่พระราชทานบุตรแล้วขอจงทรงยังพระไทยให้ผ่องใสจงทรงบำเพ็ญทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเถิดนะสำนวนว่าไปหาที่ไหนนะ คนที่มีจิตใจขนาดนี้ก็าาถือว่าเป็นผู้ที่มีใจไม่ธรรมดาเมื่ อ, อกษัตริย์ทั้งสองเนี่ยนะสนทนากันเป็นที่สําราญใจของกันและกัน น, นะพอรู้ความจริงเขาเอาทุกคนมีความสุขกันหมดเลยอ่ะนะอนุโมทนายินดีตามระลึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีอยู่นั่นแหละ mm hmm. ครั้งนั้นเทา้าส ก, กัดก็คิดว่าเมื่อวานเนี่ยรพระมหาบุรุษยังปฏิพีให้เกล็กก้องกรรมปัญญาธพ ร, ราชทาน พระราชโอรสธิดาแก่ชูชกวันนี้จะต้องมีบุรุษชั่วเข้ามาหาพระองค์แล้วทูลขอพระนางมัสสีแล้วก็จะพาเอาไปเสียอีกแต่นั้นพระโพธิสัตว์ก็จะหมดที่พึ่งเอาเธอเราจะแปลงเพศเป็นพราม์เข้าไปหาพระองค์ทูลขอนางมาสัสสีทำให้พระโพธิสัตว์ทรงถึงเอายอดของพระบารมีสละให้แก่ใคๆอีกแล้วคือถ้าให้ครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยนะ ถ้าหากว่าให้แก่คนใดคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นให้เสร็จแล้วพระัน้ะถวายคืนหลังจากนั้นไปเนี่ยพระเวสสันดรก็ไม่มีสิทธิ์จะให้อีกแล้วเพราะว่าได้ให้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอให้เสร็จก็จะคืนพระนางมัตสีให้แก่พระโพธิสัตว์พันท้าวสักกะก็แปลงเพศเป็นพรามมาในตอนอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยนะพอสว่างก็มีมาอีกคนหนึ่งละเข้าไปหาพระโพธิสัตว์พระมหาบุรุษทอดพระเนตรเห็นพรามณ์นั้นก็เกิดปีติโศมานัดว่า แขกของเรามาแล้วทําปฏิสันถานอย่างอ่อนหวานกับพรามนั้นก็ตัดถามว่าท่านพรามท่านมาที่นี่เพื่อประสงค์อะไรเท้าสากาก็ที่แปลงเพศมาจากเทวโลกก็มาข อ, อนางมาสัสีผู้มีศีลมีเจริยวัตรอันงามกับเรา พระโพธิสัตว์ไม่พูดคำนี้เลยว่าเมื่อวานเราก็ได้ให้ลูกทั้งสองแก่พรามแม้วันนี้เราก็อยู่ผู้เดียวในป่าเท่านั้นเราจากไม่ให้แม่มัสซีผู้มีศีลปฏิบัติสามีดีแก่ท่านเราจะให้แก่ท่านได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ไม่พูดคำนี้เลยพระองค์มีจิตใจไม่ท้อถอยเพราะพระองค์ไม่สละขณะเดียวกันเพราะพระองค์ไม่มีใจผูกมัด ดดวางรัตนอันหาค่าไม่ได้ลงในมือที่เหยียดออกพระองค์นี่ร่าเริงยินดีคำขอของพราหมณ์เนี่ยนะคำขอนั่นนะคาขอพระนางมาสีเนี่ยนะคำนั้นเหมือนกับหยิบเงินเอามาให้เป็นพันๆอะ่ะดีใจเท่านั้นะพระองค์ได้ยินดีมากทำภูเขาให้ดังเกลกกล้องกัมปนาศว่าวันนี้ธานบารมีของเราจะถึงที่สุด